บุกทูแปดสิบเอ็ดอักเดกอุนุอดีตการหนึ่งอสเทมโปอนุเขียนสคริบบเขาได้เขียนจดหมายหนึ่งฉบับลิสคริบิสเลเทรอน และเธอได้เขียนการ์ดหนึ่งใบไขชีสครีมิสคารตันอ่านเลกิเขาได้อ่านนิยตยสารหนึ่งฉบับลีเลกิสเร ว, วุและเธอได้อ่านหนังสือหนึ่งเล่มไขชีเลกิสลิบรอนหยิบ เขาได้หยิบบุหรี่หนึ่งมวลลนลเเธอได้หยิบช็อกโกแลตหนึ่งชินช้นเเขาไม่ซื่อสัตว์แต่เธอซื่อสัตว์ที่เ s สติสมเ เ, เาขาขี้เกียจ แต่เธอขยัน liestis mal diligenta said she estis diligenta เขาจนแต่เธอรวย liestis mal richa said she estis richa เขาไม่มีเงินมีแต่นี่ li ne havis monon said male s c h u l d i n เขาไม่มีโชคมีแต่โชคร้าย เ, า เ, าาเขาไม่ประสบความสำเร็จมีแต่ล้มเหลวเขาไม่เคยพอใจมีแต่ไม่พอใจ